ทําำตามสบายเมื่อกี้เราก็ได้สวดมนต์บทปรชิมพุทธโอวาทของพระพุทธองค์ใจความก็ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบทนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดและอีกบทหนึ่งก็พิจารณาสังขารความตายเป็นของเที่ยงความตายถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยคือทําให้เราเยไม่ประมาทในชีวิตเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราจะประมาท จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะอยู่ในโลกนี้นานๆโดยที่ไม่ตายทุกสิ่งอย่างเที่ยงถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีสัญญาวิปลาสอยู่4อย่างคือหนึ่งเห็นของไม่เที่ยงไม่ของเที่ยงเห็นและเห็นความทุกข์เป็นความสุขและเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเห็นของไม่งามว่าเป็นของงาม บางทีความคิดหลอกให้เรามองไม่เห็นโลกตามฟ้าเป็นจริงอันนี้เป็นทุกคนเอามาก็เป็นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นเพราะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ไปไม่ปฏิบัติธรรมไม่มาเจริญสติจะไม่รู้เลยฟ้าคิดไปจะหลอกหลอกพอหลอกปุ๊บเนี่ยเราก็ทําตามมันบาคนสามารถกินเหล้าเล่นกาบพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นบอลอยู่สถานที่บันเทิงแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อย อยู่ได้ทั้งวันนะโคติตีดัมมี่ตั้งหลายวันหลายคืนไม่กินข้าวยังได้แต่มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็ตายแล้วล้วเรามาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้กันคนเราขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยจะมีสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของเราอยู่5อย่างมี 1. เรื่องอายุ 2. อความเจ็บไข้ 3. เวลาที่จะตาย สสถานที่จะตาย5ตายแล้วไม่รู้จะไปไหนอันนี้จะมีอิทธิพลครอบงำชีวิตเราทุกคนนะอย่างเรื่องอายุเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ไม่มีใครตอบได้เขาเฉลี่ยแล้วอายุคนเราเนี่ยประมาณอยู่ในเกณฑ์เจปีขาดเกิด น, นิดหน่อยนี่พูดถึงแก่ตายนะไม่รวมถึงเกิดอุบัติเหตุเ5ปีถ้านับเป็นวันแล้วก็ประมาณ 27,300 กว่าวันซึ่งก็ไม่นานในที่อาจจะมีหลวงตาโกม์อายุ89แล้วเลยกําหนดตั้งหลายปีแต่ก็หาได้น้อยมีไม่เยอะหรอกสมัยนี้เรื่องอายุเราประมาทไม่ได้แล้วไม่มีหลักประกันว่าใครจะมีอายุเท่าไหร่ไม่ตอบไม่ได้เลยอย่างข้อที่2เนี่ยทาเจ็บไข้เราก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีวันพรุ่งนี้อาจจะป่วยหรือเรี่ยงก็ได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ สิ่งรอบตัวเราเนี่ยมีภัยมากมายงูงเงี้ยวเขี้ยวขออุบัติเหตุจากรถยนต์เผื่อๆซวยๆเดินไปต้นไม้หลดใส่หัวก็ได้อะไรเกิดขึ้นได้หมดอ่ะไม่มีหลักประกันเหรือคนเขายิงกันเนี่ยลูกปืนวิ่งมาหาเราก็ได้โดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยปฏแบบิกรรมมันทำให้เราไปสู่สถานที่หรือเหตุการณ์นั้นๆันชีวิตจะประมารไม่ได้ยังข้อสามเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหน ตายเช้าสายบ่ายเย็นกลางคนืนนี้ตายได้หมดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลยแล้วสี่สถานที่ที่จะไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตายต่างประเทศตายบนเขาตายในถ้ำตายในน้ำในบ้านนอกบ้านเราไม่รู้หมดแหละไม่มีหลักประกันห้าตายแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนตราบใดที่เป็นปุรุชนอยู่เนี่ยเราก็ต้องเป็นไ ป, นปนตามยถากรรมถ้าเราทำความดีเยอะ ขนาดตายเราคิดขึ้นมาได้เราก็ไปสุกติแต่ถ้าเราทําไม่ดีไม่รักษาสี่5ในชีวิตก่อการําเขหนามากเนี่ยตอนตายนิมิตไม่ดีก็ขึ้นมาเราก็ไปทุกขติได้แต่บางคนทําไม่ดีมาตลอดชีวิตแต่เคยทําบุญใหญ่ๆหลายๆครั้งเนี่ยแล้วก่อตายนึกขึ้นมาได้อันนี้ก็ไปสุกติก่อนพรอบุญเนี่ยเปรียบเหมือนเรือบาปเปรียบเหมือนก้อนหิน กันินยนลงไปในน้ำก็เล็กๆ ก, ก็จมแล้วแต่ให้ชัวร์้วก็ต้องทำความดีทำบุญกุศลให้มากๆดีกว่าเหมือนกับเป็นสบียงถ้ายิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งชัวร์ใหญ่เพราะว่าคนจริสติสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีสติสามารถระลึกได้ว่าเคยทำอะไรไว้แต่ถ้าคนไม่เคยฝึกเนี่ยมันระลึกไม่ออกอะ่ะบางทีไปคิดแต่เรื่องไม่ดีเพราะธรรมดาจิตเนี่ยมันจะไหลลงต่ำ มันจะไปคิดเรื่องอกุศลมากกว่ า, ากุศล น, นะโดยนิสัยของจิตเนี่ยคิดเรื่องไม่ดีมากกว่าเรื่องดีๆมันไม่ค่อยคิดหรอกนั้นประมาทไม่ได้พระพุทธองค์เนี่ยเปรียบเปรียบคนกับม้าสี่มือพวกมาจากพวกที่หนึ่งแค่เห็นเงาประตักเนี่ยก็รีบถับตามเจ้าของแล้วรู้ว่าเจ้าของต้องการสิ่งใดม้าจากพวกที่สอง ก็องโดนปากสกิดผิวถึงรีบทาตามประเภทที่3ามเนี่ยต้องแทงเข้าไปถึงเนื้อถึงทําตามประเภทที่4ี่ดื้อหน่อยต้อกแทงลึกถึงกระดูกถึงจะทาตามมาาเพทแรกก็หมายถึงคนที่ได้ยินข่าวว่ามีคนตายก็ทำให้เกิดความสลดสังเวชว่าความตายนี้สามารถเกิดขึ้นกับเราได้เราต้องไม่ประมาท ต้องรีบปฏิบัติทมเพื่อเห็นความจริงของชีวิตให้ได้ก่อนที่ร่างกายจะแตกดับอันนี้เป็นพวกที่มีปัญญามากประเภทที่สองเนี่ยต้องถูกประตักสกิดผิวประเภทนี้ก็อาจจะหยาบหน่อยคือต้องเห็นคนตายหรือคนเจ็บต่อหน้าเลยถึงจะเกิดความสะหลุดสังเวชว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราได้ลงไม่ประมาทประเภทที่สามถูกประตักแทงถึงเนื้อ ก็หยาบหน่อยอาจจะต้องญาติพี่น้องของตัวเองตายพ่อแม่ตายหรือคนที่เรารักเลยแหละตายเราถึงเกิดความสลดสังเวชทําให้ตื่นตัวได้ไปที่สี่อันนี้หยาบหยาบมากเลยคือต้องเกิดขึ้นกับตัวเองอะ่ะตัวเองเจ็บป่วยหรือเดี้ยงนอนผ ง, งาบผ ง, งาบอะ่ะถึงจะมีความรู้สึกว่าเราประมาทในชีวิตจะต้องรีบปฏิบัติธรรม คนเราจะมีสี่ประเภทหาดูง่ายประเภททด่ใหา่มากเลยก็อาจจะเป็นแบบแบบว่ายัางกินเหล้าเมาเมาหัวลาน้ําอยู่เลยประเภทนั้นไม่มาวัดหรอกอันนั้นพูดไม่ได้ด้วยการทีนนห่หลงมากเดีย๋ยวพวกโยมเนี่ยมาบอกว่ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมีบุญเก่าเยอะได้อาฟังธรรมได้มาเจริญสติถ้าไม่มีของเก่าไม่มาหรอก บางครั้งก็ไปทำบุญแล้วก็กลับแล้วแล้วที่อื่นก็ไม่ค่อยมีสอนธรรมะด้วยสมมาก็ให้โยมทำบุญนั่นแหละไปสวรรค์ง่ายดีเพราะการปฏิบัติธรรมมันต้องฝืนนะส่วนกระแสะยากหน่อยเคยมีคนถามองค์ดาลามะว่าท่านรู้สึกแปลกใจกับมวลมนุษยชาติยังไงท่านก็ตอบว่ามนุษย์ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อที่จะได้ไดเงินมา และยอมสูญเสียเงินตาเพื่อฟื้นฟู ร, รักษาสุขภาพและวิตกกังวลกับอนาคตจนไม่มีความลื่นลมอยู่กับปัจจุบันผลก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันทั้งไม่ได้อยู่กับอนาคตเขาใช้ชีวิตเสมือนหนึ่งว่าจะไม่มยวันตายแล้วเขาก็ตายไปเสมือนว่าไม่มีชีวิตอยู่จริงอันนี้เป็นคำคมนะคำาขององค์งงดราม อันมามาม า, มาวิเคราะห์คําพูดของท่านก็จริงเพราะคนเราเนี่ยจะยอมลำบากบางทีทํางานเพื่อเงินยอมทำโอทีหรือยอมหาเงินต้องมากหรือมีวางเป้าไว้ว่าจะเอาการมือถือรุ่นดีๆหรือรถสวยหรือบ้านหลังงามหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมีมีเป้าหมายแล้วก็จะหายได้เพราะหาสะสมดินน้นรนแต่ร่างกายพักผ่อนไม่พอก็ทำให้เจ็บไข้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ พอป่วยทีก็ต้องรักษาตัวแล้วต้องเองินนั่นแหละมารักษาบางคนหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอหมอกินหมดแล้วความสุขของเราเนี่ยเราก็ไปหาจากอนาคตว่าเราเรียนหนังสือจบแล้วเราได้งานทําดีๆเราได้แฟนดีหล่อสวยมีครอบครัวที่อบอุ่นเราจะมีความสุขแต่พอได้แล้วมีมีทุกอย่างแล้วก็ไม่สุขอะ่ะพอแมนก็ไปหาอนาคตต่อไปอีก บางคนตั้งความหวังว่าเราแก่เราจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่เอาเข้าจริงแล้วแก่เขาไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะว่าสิ่งเราหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตทท่งนั้นเลยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันยิ่งถ้าเป็นคนจีนหรือฝรั่งฝรั่งก็ทํางานทั้งปีก็หวังจะสรุป ก, กับวันชีดมาสคนจีนก็เหมือนกันหวังว่าปีหนึ่งเนี่ยขอไปที่วันจุจีนแล้วอีกต้องหลายอีกสามร้อยกว่าวันเนี่ย เขาก็ดิ้นรนคือเขาไปหาความสุขข้างหน้าอันนี้ที่จริงความสุขมีต่อดเวลาความสุขก็คือปล่อยวางอยาอมรับความเป็นจริงของสิ่ ง, งต่างๆที่มากระทบเราอะถ้าเราไม่มาเจอสติเราก็ไม่รู้แล้วก็หาความสุขจากอน า, าคตการปฏิบัติธรรมช่วยได้บางทีสิ่งรลายๆเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็สามารถทําให้เราเนี่ยไม่เสียใจจะเกินเหตุ หรือสิ่งที่ดีกิดขึ้นเราเราก็ไม่ดีใจกเกิดเหตุก็ได้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีอาชีพทำนามีอยู่ด้วยกันหคนมีพ่อมีแม่ลูกชายลูกสาวแล้วก็สะพ้ายแล้วคนใช้มีฐานะปานกลางหัวหน้าครอบครัวจเจริญมรณะรูสติอยู่เสมอคือพิจารณาพิจารณาความตายอยู่เป็นนิจแล้วก็สอนให้คนในบ้านเนี่ยหักพิจารณาความตาย ก็อยู่มาวันหนึ่งชาวนาก็พาลูกชายไปทํานาตามปกติลูกชายก็ไปขนหญ้าขนยาขยกปูนฝอยต่างๆมาเผาเพืเ่อบริเวณนั้นเนี่ยมีรูงูอยู่ฟันไฟก็ไปทำฟ้าโกรธให้งูมากเพราะว่ามันลาคาญ ง, งูงูก็ระกัดลูกชายตายชาวนาผู้พ่อเห็นลูกชายตายก็ไม่เสียใจแต่อย่างไรก็วางศพไว้แถวนั้น ท่นเพื่อนบ้านผ่านมาก็ฝากไปบอกที่บ้านด้วยว่าเที่ยงนี้เตรียมอาหารมาแค่ชุดเดียวก็พอแล้วให้เตรียมชุดขาวมาด้วยแม่บ้านก็รู้ว่าลูกชายตายแล้วก็เลยบอกให้คนในบ้านเนี่ยเตรียมเตรียมไปเผาศพกันหลังจากทานอาหารเสร็จชาวนาก็ช่วยกันน่ะกับคนในครอบครัวเนี่ยหาฟืนแล้วก็ศบตั้งแล้วก็เผาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีชายชรลาคนหนึ่งเดินผ่านมา เกิดฟ้าสงสัยมากคร อ, อบครัวนี้ทําอะไรกันจึงเดินเข้าไปถามไปถามถามที่ความสงสัยว่าพวกท่านทําอะไรกันดูเหมือนไม่ใช่เป็นการเผาศพอะเหมือนกับเป็นไดาพานเนี่ยได้เนื้อมากําลังย่างเนื้อกินกันไม่ได้มีความเสียใจเลยเลยศพนี้เป็นอะไรกับท่านชานาก็ตอบเป็นลูกชายชายชลาก็ถามทุกคนเนี่ว่าทำไมพวกท่านถึงไม่เสียใจไม่ร้องไห้ชาวนาผู้พ่อ ก็ตอบว่าคนตายเนี่ยเหมือนได้พบชาติใหม่เหมือนงูที่ลอกคราบย่อมไม่ใหญ่ดีกับคราบเก่าฉันใดก็ฉันนั้นเราเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนตายผู้เป็นภรรยาก็ตอบว่าตอนเขามาเกิดเราก็ไม่ได้เชิญเข้ามาเกิดตอนเขาจะตายจากไปเราก็ไม่รู้ญาติทั้งการเราเสียใจจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไปถาม ถามน้องสาวน้องสาวก็บอกว่าถ้าเราเสียใจร้องไห้ก็จะไปร่างกายซูกผอมป่วยได้งการร้องไห้จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่คนเป็นและคนตายไปถามภรรยาภรรยาก็บอกว่าการที่เราร้องไห้จับคนตายก็เปรียบเหมือนเด็กอยากได้ผ้าทิพย์พระจันทร์ซึ่งเป็นไปนไม่ได้การร้องไห้จับคนตายจึงไม่เกิดประโยชน์อะไร ถามคนใช้คนใช้ก็ตอบว่าคนตายก็เปรียบเหมือนม่หม้อดินที่แตกแล้วไม่สามารถประสานคืนกับที่เดิมได้เพราะฉะนั้นการร้องไห้ของคนตายจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรครอบครัวนี้ไม่ร้องไห้เพราะฝึกพิจาศความตายบ่อยๆยอมรับความจริงได้ชายชะลาผู้ใดก็หายสงสัยแล้วก็สาธุแล้วก็เดินจากไปแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เกิดสมัยพุทธกาล สมัยหนึ่งผู้ไดเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมที่เมืองอาราวีพระองค์ก็พูดเรื่องการเจริญมนนรณาลุสติให้ชาวเมืองควางว่าชีวิตเนี่ยมันน้อยนักอย่าประมาทขณะนั้นก็มีเด็กหญิงเป็นลูกสาวช่างหูกฟังอยู่ด้วยเด็กหญิงคนนี้มีปัญญามากฟังแล้วซาบซึ้งจึงนำการเจริญมนานานรณาลุสติมาปฏิบัติการเวลาผ่านไปสามปีอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธองค์ ก่อนใกล้ลุ่นท่านจะตรวจด้วยยานว่ามีใครบ้างที่พระ อ, องค์จะไปโปรดได้ปรากฏว่าเด็กน้อยทิดาช่างหูเนี่ยอยู่ในข่ายที่พระ อ, องค์จะไปโปรดพระ อ, องค์ก็รู้ด้วยว่าเด็กคนนี้จะล่องตายพระ อ, องค์ด้วยความเมตตาก็เลยเดินทางไปเมืองอาราวีครั้งหนึ่งเพื่อโปรดเด็กน้อยคนนี้โดยโดยเฉพาะเลยชาวเมืองทราบข่าวออกมาต้อนรับและฟังธรรมกันมากมายเด็กหญิงทิดาช่างหูพอรู้ข่าว พระพุทธองค์เสด็จมาก็าตื่นตานใจมากแต่พเพลินวันนั้นพ่อสั่งให้เร่งทํางานให้เสร็จให้กอได้ให้มากที่สุดพ่อต้องเคลียร์งานให้เสร็จภายในวันนั้นดิฉิงก็กลัวพ่อจะดุว่าจึงรีบทํางานหวังว่าเสร็จแล้วไปฟังทำแม้ไปเล่เรื่มฟังแต่ต้นก็ยังดีและจะ ก, กอ่อได้มากพอสมควรแล้วจึงนําได้สดายตะก้าจะไปส่งให้พ่อที่โรงงานพ่อก็รออยู่ แต่โรงงานทอผ้าเนี่ยอยู่เลยที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมนางจึงแวะไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนใครไปถึงเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเหลือบเหลือบพระเนตรมานางก็เกิดปิติมากแล้วก็เดินเข้าไปกราบพระพุทธองค์เห็นเด็กหญิงพระองค์ก็ถามว่าเธอมาจากไหนเด็กหญิงก็ตอบว่าไม่ทราบพระองค์ถามอีกเธอจะไปไหน ไม่ทราบพระองค์ถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบเธอทราบหรือเด็กก็ตอบว่าไม่ทราบประชาชนที่ฟังถามจากพระพุทธองค์เนี่ยก็เข้าใจว่าเด็กคนนี้เล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระพุทธเจ้าทึ่เป็นพระสัทธรรพระพุทธองค์จึงตัดถามเพราะเหตุใดถึงตอบเช่นนั้นเราถามว่าเธอมาจากไหนเธอหมายความว่าอย่างไร เด็กน้อยก็ตอบว่าพระพุทธองค์คงไม่ได้หมายถึงว่าเธอมาจากบ้านน่คงหมายถึงว่าเธอเนี่ยชาติที่แล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมาก่อนจะมาเกิดชาตินี้เธอจึงตอบไม่ทราบและที่พระพุทธองค์ถามว่ า, า, วาเธอจะไปไหนเด็กก็ตอบว่าที่พระองค์ถามเนี่ยคง คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาคําถามธรรมดาพราะพระ อ, องค์น่าจะรู้ว่ากำลังจะไปลงทอผ้าน่าจะเป็นเกี่ยวคําว่าตายแล้วไปไหนซึ่งเธอก็าตอบไม่ทราบพุทองค์ก็ถามต่อว่าแล้วที่เราถามว่าเธอทราบหรือและแม่ทราบหรือเธอหมายถึงอะไรเด็กก็ตอบว่าคําว่าไม่ทราบหรือของพระ อ, องค์คงไม่ใช่คำถามธรรมดาคงถามว่าจะตายคือจะต้องตายรู้ไหมหญิงก็ตอบว่าทราบ พอรู้ต้องตายแน่แล้วที่พระ อ, องค์ถามว่าไม่ทราบหรือเด็กหญิงก็ตอบว่าน่าจะเป็นคำถามว่าตะจะตายวันไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะไม่รู้ว่าตายวันไหนตายตอนไหนหลังจากฟังเด็กหญิงอธิบายแล้วชาวเมืองก็เงียบกริบแล้วก็สารเส ร, ริญในสติปัญญาของเด็กน้อยพระพุทธองค์ก็ตรัสสาธุแล้วก็สอนธรรมะโดยให้สลกสั้นๆว่าโลกนี้่ มืดมนน้อยคนจะเห็นแจ้งน้อยคนจะได้ไปสวรรค์เหมือนนกติดบ่วงในพานน้อยตัวนักที่หลุดรอดได้หลังจากฟังสโลกสั้นๆจากพระพุองค์เนี่ยเด็กน้อยก็เกิดตาปัญญาขึ้นคือได้บรรลุโสดาบันปฏิผลแล้วฟังธรรมจากพระพุองค์เสร็จเธอก็นาได้ไปให้พ่อพราะพ่าย พ, พ่อเนี่ยรอลูกสาวต้องนาน ลูกสาวไม่มาทันทีพ่อก็นั่งหลับอยู่แต่มือก็ถือฟืมได้ไว้ฟืมได้ปลายน่าจะแหลมอะลูกสาวมาก็ยืดตะกร้าให้บอกหนูมาแล้วเอาของมาส่งเนี่ยแล้วตกใจความตกใจแต่ทําให้พ่อเนี่ยหันฟืมได้เนี่ยพุ่งมาที่หน้าอกของลูกลูกสาวตายทันทีเลยทําให้พูดเป็นพ่อเสียใจมากวิ่งร้องร้องไห้วิมหาพระุธองค์แล้วไปมาพ่อก็ปลอบใจ แล้วเขาบวชเปสาวัของผู้ดูองการเจริญมานานรุ้สติการยอมรับความเป็นจริ ง, ก, รนนรงก็สามารถทำให้เราเนี่ยเกิดเหตุการณ์ร้ายๆญาติพี่น้องเสียชีวิตหรือของสูญหายต่างๆเนี่ยทาให้เราไม่เสียใจได้ยอมรับวัตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้อยู่แต้มหน้าควบคุมของเราเราเองก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็ต้องแก่คนเราไม่เจอกันานาน เราเห็นความแก่ง่ายเด็กก็จะโตคนที่วัยกลางคนเนี่ยจะแก่ขึ้นอีกตีนกาก็ลึกขึ้นผมก็งอกมากขึ้นผิวหนังก็เหี่ยวย่นอันนี้เราจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองมากๆเราก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันก็ชินะ่ะเพราะเดธรรมชาตนคนจะชินชินกับสิ่งที่เห็นอยู่ประจําจะดูว่าแก่ช้าถา้านานๆเห็นกันทีจะชัดเจนถ้าเราต้องไม่ประมาทภัยรอบตัวเรามีมากมาย อุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆในภายนอกเนี่ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยหมอรักษาได้บ้างไม่ได้มั่งตามยถากรรมและได้เหตุปัจจัยไฟฟาทุกทางจิตใ จ, จเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักตัวเองอาจจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็ทําทดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคือไปเชื่อจากหนังสือหรือเชื่อจากคนฟาร์มรู้คนอื่น แต่ถ้าเรามาเจอสติสร้างขงาหลุดตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะ ป, ปรากฏขึ้นมาเองมันจะพูดขึ้นมาเราทาอะไรไม่ดีไว้เนี่ยมันจะแสดงแสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเนี่ยเป็นบาปเป็นบุญที่เราเคยทําถ้าเราไม่มาเจอสติเนี่ยมันจะออกมาตอนตายแล้วเราจะแก้ไขไม่ได้เลยไปไปตามยะถากรรมอันนี้เหมือนกับเปการชําระล้างจิตใจให้สะอาดเพราะธรรมดาจิตใต้สํานึกเนี่ยถ้าเราไม่ไปปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ใต้ล่าง เหมือนเหมือนตะกรอยอยู่ในโอ่งอะ่ะเรามาเจสติบเราก็ไปกวนมันให้มันขึ้นมาให้มันโชว์ตัวถ้ามันโชว์ตัวบ่อยเนี่ยอำ น, นาจมันก็ลดลงมันก็ไม่แรงแล้วเราก็สามารถนําการโชว์ตัวของเขาเนี่ยมาทําประโยชน์ได้เกิดศรัทธามากขึ้นรู้แบบบุคุณโทนมากขึ้นอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรจะเวลาสุดท้ายเนี่ยท่องกรให้โยกฟังละก่อนหนึ่งกรธรรมารับอรุณสุริโยไทยไข่แสง กล้แจ้งแล้วฝูงวิหกล้องเจรยแจ้วแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมูป่ปกษาอย่างขยนันมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาพระธรรมองค์พระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมลทินออกจากใจ อายุขัยในมนุษย์นี้น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภายนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิวอนให้ท่านจงไต่ตองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอนุสัยเป็นปัจจัยในภายหน้า เป็นปัญญาบารมีชี้แจมสายเมื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านสายตื่นงื้นรับสดับธรรมขอความสุขความเจอทญธรรมจงเมียญาติธรรมทุกท่านแล้วก็อยากประมาทในชีวิตก็แล้วกันความตายเกิดขึ้นได้กับทุกคน